ปัจจินิกะบุคคลจากขุนทริยมูลกะใน354อหอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดไม่เคยเกิด จากนุสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากคุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปิคานินสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากคุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากคุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด อิชินซีปุริสินซีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิปุริสินซีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากขุนซีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตจินซีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิชีวิตจินซีของบุคคลใดไม่เคยเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจาขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนสินศีอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปติอุเบกินสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอุจาขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด จัตินสีปัญญสีมณีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิมนนิทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีละถึงปัญญทริยมูลกะในสามร้อยห้าสิบห้าอนุปัญญรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนิทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิเคยเกิดปฏิเมินินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีปัญญทริยมูลกะในจบปัจเจเนกาโอกาสจากขุนทริยมูลกะในสามร้อยห้าสิบหกอนุจากขุนซีในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม ปัจเจเนียกะบุคโลกาจากคุนทริยะมูลกะในสามร้อยห้าสิบเจ็ดอนุจะคุณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวกาลภูมิบุคคลผู้มีจกักโผ่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิจกขุณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่โสตินซีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิและอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตินรีก็ไม่เคยเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิ โสตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขุนซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขุนซีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขุนซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคาเนนซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กําลังจุติจากการมาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรโคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตวภูมิและอรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคาเนนรียก็ไม่เคยเกิดปฏิ ข้าเนทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิข้าเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและรูปภูมิข้าเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด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 บุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตวภูมิและอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและบริศินศีก็ไม่เคยเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิบริศินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังจุติจากโรปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบาตวอยู่ในอสัญญาสัตวภูมิและอรูปภูมิปุริสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจกฺกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตศีนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีจักรโเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิชีวิตินทร์ศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการะพูมบุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคามาวจรภูมิจากขุญศีของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนสินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาพูมิและอรูปพูมิจากขุญศีของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนสินศีก็ไม่เคยเกิดปฏิ โสมนสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนศีนไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังไปรินิญพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสัตาภูมิและอรูปภูมิโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และจากขุนศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุปเบกินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการะภูมิบุคคลผู้มีจากผูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคลามาวจรภูมิและอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้ปริณิพนธ์ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสันยสัตตภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกขินศีก็ไม่เคยเกิดปฏิอุเบกขินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิอุเบกขินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังไปริญพานในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุปาตุในอสัญญาสัตตภูมิอุปเอขินสีของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินสีปันยินรีมนินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจะโวการภูมิ บุคคลผู <me> ้มีจักผูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิและอรูปภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนิณรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนิณรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุดท่าว่าจภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุท่าว่าสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนธริยะมูลกะในจก ขานินทริยะมูลกะในสยห้าสอนุขานินจีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิชินซีบุริสินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกางมาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลางมาวจรภูมิขานินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่บุริสินซีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิคลาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินซีก็ไม่เคยเกิดปฏิปุริสินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคลาินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลาเนนรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท้าวาสภูมิคานินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินรีก็ไม่เคยเกิดปฏิชีวิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด พานินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลานินทรียีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีขานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคลานินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สมนณสินส hmm. ีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอย pues nope <im ู่ในสุดท่าว่าสภูมิอสัญญัตตาภูมิและอรูปภูมิคาเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมณสินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนซียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ปูเปกินซีซาตินซีฟันยินซีมันินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กํำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กันมาอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูบาวจรภูมิและอรูบาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มันินทรียไม่ใช่เมื่อเคยเกิด บุคคลผู้อุปบัอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอาศัยในสัตภูมิคานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมณินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมณินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่คานินธลิยามูลกะในจบอิชินทริยามูลกะในสามร้อยห้าสเกอนุ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 อิทธิน <mu> ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและบริสินกีก็ไม่เคยเกิดปติบริสินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ Space. อนุอิทธินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิ บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวาสภูมิอิทธินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด อิทธินิสัของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิทธินิสัของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณสินิสัยของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอิทธินิสัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แตสมณสินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจูในสุท่าว่าสภูมิอาศนสัตตภูมิและอรูภูมิอิถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมณินรีก็ไม่เคยเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิถินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิถินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด อุเปกินรีสัตถินรียปันยินรียเมนินรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กันบังอุบัติในกา ม, วมาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอารูปาวจรภูมิอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่เมนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญัตตภูมิ อิทธินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลัาางเกิดและมนินรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินทียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลัาางเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินทริยะมูลกะในจบปุริสินิทิริยะมูลกะในสามร้อยหกสิบอนุปุริสินียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลัาางเกิด ชีวิตินทรสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกรามวจรภูมิบุคคลผู้มีปริษจะเกิดไม่ได้คำลังอุบัติในกรามวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปริสินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิด an บุ <inh ales> คคลผู้อุบัต euh ิอยู่ในสุดทาวาสภูมิ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 บุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้กำลนดอุบัติในกลางมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมมณะศินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญยะสัตตภูมิและอรูปภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมณะศินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิ ตัมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปขินสีสัตทินรีปัญญินรี์มนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกรรมวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริศาสเกิดไม่ได้กันมังอุบัติในกรรมวจรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมณินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิมณินสีของบุคคลใดในภูมิดไม่เคยเกิด ปุริสินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทลียมูลกระในจกชีวิตตินทริยมูลกะในสามร้อยหกสิบเอด็ดอนุชีวิตตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจ า, จ, จากจากัตุวคารภูมิและปัญจ ว, วการภูมิ ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตติทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมนณสินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังค์ขณะแห่งอุปาติจิของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตภูมิชีวิตติณรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมนณสินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิสมนณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ช, <Leben urs> <surreal contexto> ชีวิต <double> ินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมนณสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทร์สีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิ สมมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินสีสัจทินรีปัญญินรีมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจัตตุวการภูมิและปัญจโ ว, วการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการ ชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพักราคณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุปาอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตภูมิชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุท่าวาสภูมิและอาศัยนสัตภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตจินรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพันกัคคณะแห่งอุปาติจิต ข, ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุท่าวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอาาาสัยนิสัตภูมิมนินีสีของบุคคนเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตจินรี์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด ชีวิตกินทริยะมูลกะาในจบโสมนัสสินทริยะมูลกะในสามร้อยหกสิบสองอนุโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกหินสีสัตทินรีปันยินรีมะนิณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังค์กณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัส โสมนสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ สมณ ส, สินตรียมูลกะในจบอุเปขินทรียมูลกะในสามร้อยหกสิบสามอนุอุเปขินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังข้าขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตแจกอุเบคาอุเปขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สัตถินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งอุปาติกิตของบุคคลผู้อุบาจ่ใน ส, สุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบาจ่ในสอสัญญาสัตตภูมิอุเปขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตถินซียก็ไม่เคยเกิดปฏิสัตถินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปขินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ บ, <asthma> บุคบคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่อุเ <Kick FA> ปขินรีไม่ใช่ในกำลังเกิดในพันคขณะแห่งอุปาฏิจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสานิสัตถภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปขินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ปัญญีนีมะนีนีนีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบคาอุเบขินีนีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถ ภ, ภูมิ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมณินิสีก็ไม่เคยเกิดปฏิมณินิสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมณินิรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพันธขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคล ผู้อุปาจูในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุปาจูในอ ส, สนัญญัตถภูมิมะนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินทริยะมูลกะในจบสัถินทริยะมูลกะในสามร้อยหกสิบสีอนุสถินซีของบุคคลใดในภูมินใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญรีมะนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาสัตินรียของบุคลคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังค้ขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุปาจูในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตภูมิสตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่เคยเกิดปฏิ มณีศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัจทินรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัจทินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังขคณะแห่งอุปาติกิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภู aşk. มิมณีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่เคยเกิด และสัตทินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดสถตินทิริยะมูลกะในจบปัญญินทิริยะมูลกะในสาม้อหสห้าอนุปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยานปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มนินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังค์ขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรียก็ไม่เคยเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิ มณินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอุปาติจิของบุคคลผู้อุปาติในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิมณินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดและปัญญียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัญญทริยมูลกะในจบ